ไม่รู้พวกโยมเคยอ่านหนังสือสาระขันขันของสามเถลิงไหมเรื่องนี้มีสาระสามเถลิงก็คือนามปา ก, กาของพระจารย์ในสารแต่ตัวอาจารย์ไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่หรอกอธมาอามาเล่าโยมฟังบ่อยเพราะเห็นว่าบางครั้งธรรมะเนี่ยก็ต้องมีเรื่องเบาเบลว่างถ้าเราไปพูดเรื่องหนักหนักมันก็มันก็เบื่อได้ก็เลยอธมาก็เลยคิดว่าพูดเรื่องเบาเบลสบายสาให้โยมมีความสุขดีกว่าเรื่องหนักหนัิพพานนัตตาเรื่อง อื่นก็ให้คนอื่นพูดไปมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสมปองสมปองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาคือนอนไม่ค่อยหลับกลัวผีเวลาแกนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแกก็ระแวงว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้เตียงบางครั้งก็แก้ปัญหาโดยการมานอนใต้เตียงก็ระแวงอีกว่ามีผีหรือมีอะไรมานอนบนเตียงจนกลายเป็นพวกแบบเครียดเลยเรื่องกลัวผีมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงจึงไปหา ปรึกษาจิตแพทย์หมอบอกว่าปัญหานี้แก้ไขได้ให้มาหาหมอเนี่ยคอร์สดึง12ครั้งหมอคี้ครั้งละพันแล้วก็ให้สมปองเนี่ยท่องอยู่ว่าห้องนี้มีเราอยู่คนเดียวจะ100ร้อยค้างพันครั้งก็ได้จนกว่าจะหลับไปสมปองก็มาหาหมอได้มาณสามครั้งเสียไปสามพันจากนั้นก็หายต่อมไปเลยไม่มารักษากหมออีกเลยอยู่มาวันหนึ่งหมอก็ไปเจอสมปองที่ห้างสรรพสินคแห่งหนึ่งจําได้จึงทัก อา้าวคุณหายไปไหนมาต้องนานไม่เจอกันปองก็บอกผมเนี่ยตอนนี้หายกลัวผีแล้วครับอา้าวหายได้ยังไงยังรักษาไม่จบคอร์สเลยคือผมไปหาหลวงพ่อแถวยุธยาแล้วเราไปทันฟังท่านบอกให้ผมเนี่ยตัดขาเตียงทิ้งผมก็ทําตามแล้วตอนนี้ผมก็หลับสบายทุกคืนเพราะว่าผมไม่ต้องระแวงแล้วว่ามีผีซ่อนอยู่ใต้เตียงแล้วที่สําคัญผมไม่ต้องเสียเงินอีก9ก้าพันให้หมอด้วยเพราะว่าคอร์สนี้ก็หมื่นสองไง ต้องหาหมออี้าครั้งเรื่องนี้ก็จบแต่ก็ให้แง่คิดนะตรงที่ว่าบางครั้งคนเราเลยชอบทําเรื่องเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากนะมีฝักที่ซับซ้อนอย่างหมอโรคจิตเนี่ยก็ซับซ้อนนะให้ต้องมาท่องให้ว่าอยู่ตัวเองไม่มีใครในห้องเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเอาแล้วร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยโอ้โหนี่ก็ถือว่ามีความคิดซับซ้อนผิดกับหลวงพ่อทีม่มีความรู้อะไรให้ตัดขาเตียงทิ้งกระจบ โดยไมต้องหาเหตุผลเพราะบางคนเหตุผลแก้ไม่ได้คนบางคนนะแก้ได้โดย ว, วิธีง่ายๆพื้นรีบเรีย บ, เ ร, ยบเรื่องต่อมาสมนึกป่วยหนักมากใกล้าตายแล้วอาการรอดแล่ญาติเป็นห่วงมากจึงรีบไปนมนมดหลวงตามาเพื่อมาบอกทางจะได้ไปสู่สุคติไดไ้คนใกล้าตายจะต้องอาศัยผ้าบอกทางนะพวกญาติโยม บ, บางคนที่เปนชาววัดเนี่ยก็ยจะเป็นห่วงตรงนี้ย่อหาที่พึ่งทางใจไว้ก่อนหลวงตามาถึง ก็เข้าไปที่ห้องเลยเข้าไปอยู่ ใ, ใกล้ๆสมนึกแล้วก็พูดทันทีเลยพูธรรมะ ส, สอนให้สมนึกเนี่ยปล่อยวางชี้วิธของไม่เที่ยงแต่เป็นที่ได้สังเกตว่าหลว ง, งตาเนี่ยเข้าไปในห้องเนี่ยสมนึกอาการหนักกว่าเดิมอีกสมนึกพยายามจะโบกมือบอกไม้หลวงตาบอกไม่ต้องไม่ต้องนอนตาสบายแกพยายาพูดอัตธรรมะให้มากที่สุดอะอัตธรมะเพื่อให้สมนึกเนี่ยได้เข้าใจธรรมะไงจะได้ไปดีไงสมนึก อยากจะพูอะไรหลวงตาไม่สนใจไม่ยอมฟังจนในที่สุดสมนึกใช้พลังเฮือกสุดท้ายหยิบ ป, ปากกาแล้วเขียนใส่กระดาษไว้แล้วก็สิ้นลมไปตรตอนนั้นเลยหลวงตามองว่าน่าจะเป็นคําสั่งเสียเก็บกระดาษไว้ให้ญาติว่าจะอ่านตอนตอนงานศพตอนนี้ยังไม่อ่านเยินวันนั้นแหละที่งานศพหลวงตาเออคิดว่าสมนึกเนี่ยเป็นคนห่วงญาติห่วงพี่น้องขนาดตายจะสั่งเสีย จึงหยิบกระดาษเขค่อยขึ้นที่อ่านเนื้อความในกระดาษนะถอยออกไปอย่าเหยียบสายออกซิเจนแล้วที่ก็สร้างคํามขำขัญให้กับคนมาร่วม ง, งานคือหลงตาไม่ฟังสมนึกเลยถ้าฟังสมนึกสมนึกอาจจะไม่ตายเร็วก็ได้เพราะไปเหยียบสายออกซิเจนไงก็เลยทำให้ตายขึ้นเร็วขึ้นบางครั้งธรรมะไม่ได้หมายความว่าต้องพูดอย่างเดียวนะเราต้องเป็นผู้รับฟังด้วยฟังเรื่องที่ คนป่วยคนทุก์เนี่ยเขาอยากระบายพอเราฟังเขาเขาก็สบายใจไงได้ระบายแต่บางคนไม่อย่างนั้นเนี่เราอยากให้คุณฟังเรามากกว่าก็เลยระวังว่าจะเป็นแบบหลงตาเนี่ยทำให้สมลึกอ็ตายเร็วขึ้นเพราะฟังหวังดีแท้ๆเรื่องต่อมาสมศักดิ์นั่งรถไฟก็มีพนักงานเนี่ยมาตรวจตัวต๋วหลังจากตรวจตั๋วเสร็จพนักงานก็เอ่ยกับสมศักดิ์ว่านี่ตั๋วของคุณเนี่ย จะไปเชียงใหม่นะแต่รถไฟคันนี้จะไปหาดใหญ่สมศักดิ์ก็ทําหน้าเบ้แล้วเอ่ยขึ้นว่าพนัก ง, งานขับรถไฟขบวนนี้ทํางานผิดพลาดแบบนี้บ่อยหรืออันนี่โทษคนขับรถไฟตัวเองคือรถไฟขบวนซึ่งคนแบบนี้ก็มีเยอะนะในโลกของเราเนี่ยคนแบบสมศักดิ์เนี่ยขึ้นรถผิดแล้วก็โทษโทษพนัก ง, งานขับรถผิพลาดมีผัวเมียคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันมานานแล้วรักกันดี หัวก็รู้สึกว่าเอช่วงนี้ภรรยาของตัวน่ยหูไม่ดีหูตึงด้วยความสงสารภรรยาจึงไปปรึกษาหมอหมอก็ให้คำแนะนําชายคนนี้ก็กลับบ้านมาถึงที่รักทําอะไรอยู่ภรรยาก็งเงียบไม่มีเสียงตอบเข้าไปในห้องที่รักทําอะไรอยู่ก็เงียบเหมือนเดิมเดินเข้าไปที่โรงครัวเห็นภรรยากําลังทําอาหารอยู่ที่รักทําอะไรอยู่ก็งเงียบไม่มีเสียงตอบทีนี้ สามกีก็เลยกระซิบที่หูที่รักคุณทำอะไรอยู่ทํไมไม่ตอบภรรยาก็หันฝับมาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงดุๆว่านี่ฉันตอบคุณไปแล้วสามครั้งแล้วคุณหูไม่ดีหรือไงเนี่ยสรุปแล้วใครหูตึงกันแะน่สามีหูตึงแต่คิดว่าภรรยาหูตึงอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดไงก็มีคนทั่วไปก็ไปแบบนี้เยอะคื อ, ค, อคือเป็นห่วงคนอื่นแต่ตัวเองก็เป็นเองอะเราป่วยเราไป ม, มองคนอื่นว่าคุณืป่วยหนักกว่าเราเีย คือบอกนอกตัวหรือมองตัวเองสารคดน่มาเล่าหลายเรื่องแล้วนะอย่างเรื่องชายลุก ต, ตดก็เล่าแล้วก็ไม่กล้าเล่าอีกเพราะจะซ้ํำที่เล่าสารคดีก็พอแค่นี้ก่อนสารคดีขั น, ขนมีเรื่องอื่นบ้างเศรษฐีคนหนึ่งแกมีลูกสาวสองคนแต่งงานหมดแกยังได้ลูกเขยมาทั้งสองคนเนี่ยเขยเล็กเขยใหญ่อยู่บ้านวันนึงเศรษฐีเนี่ยอยากทดสอบว่าเคยเล็กกับเขยใหญ่คนไหนฉลาดกว่ากัน แกจึงชวนลูกเขยเนี่ยไปนั่งเรือเล่นกันคองแห่งหนึง่งเรือก็แล่นไปเรื่อยๆเรือพายนะเศรษฐีเห็นเป็ดลอยน้ําอยู่จึงถามเขยใหญ่นี่เขยใหญ่ทําไมเป็ดถึงลอยน้ําได้เขยใหญ่ตอบว่าเพราะเป็ดมีขนเขาพ่อเอ้าแล้วเขยเล็กทําไมเป็ดถึงลอยน้ําได้ธรรมดาเขาพ่อเรือแล่นไปสักพักหนึ่งเศรษฐีก็เห็นกอไผ่เห็นมีหนอ่อไม้ผุดขึ้นมาจึงถามเขยใหญ่ ว่าทำไมหน่อไม้ถึงแทงขึ้นมาได้เขยใหญ่ตอบว่าพอยอดแบนแหลมก็พ่ออ้าวแล้วเขยเล็กว่าไงธรรมชาติก็พ่อเศรษฐีไม่ค่อยพอใจคำตอบของเขยเล็กเท่าไหร่นะแต่ก็เก็บไว้ในใจภายเรือเล่นจนเหนื่อยแล้วก็ขึ้นบกโดยมาสักพักหนึ่งก็เจอห่านฝูงนึงร้องเสียงดังราดิบด่นเศรษฐีก็ถามเหมือนเดิมแหละเขยใหญ่ทาไมหานถึงร้องเสียงดัง คอมันยาวรับพ่ออเขยเล็กว่าไงธรรมดาครับพ่อแล้วก็เดินต่อไปใกล้กับถึงบ้านเสรดีเห็นงูตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้าเลื้อยออกที่รูน่ะตัวมันมันเลื่อมเลยหมดเลยจึงเอ่ยปากถามสองลูกเขยเขยใหญ่ว่าไงรูมันถึงเลื่อมอย่างแบบนี้เพราะงูมันเลื้อยเข้าเลื้อยออกครับทําให้รูมันรูมันเลื่อมเขยเล็กว่าไงธรรมชาติเขาพ่อหลังจากกลับถึงบ้านเสรดีไม่ค่อยพอใจคาตอของเขยเล็กจึงเรียกเขยเล็กมาพบ แล้วถามให้หายสงสัยเขยเล็กข้าถามเองว่าทําไมเป็ดถึงลอยน้ําได้เข๋ใหญ่มันตอบยังมีเหตุผลเพราะเป็ดมีนมขนเองทําไมถึงตอบว่าธรรมดาล่ะบายทีถูกพ่อไม่ใช่จําเป็นจะต้องมีขนที่ลอยน้ําได้เสมอไปพ่อดูขี้บัวแห้งเนี่ยมันก็ลอยน้ําได้ไม่นมีขนเลยเออจริงของเองแล้วหน่อไม้อ่ะเขอใหญ่ไปตอบว่าพอยอดเป็นแหลมทําไมเองตอบว่าธรรมชาติ พ่อไม่จะเป็นต้องมายอดแหลมเสถีไปพ่อสังเกตเห็ดไหมเห็ดมันยอดยอดไม่ต้องแหลมมันก็โผล่ขึ้นดินมาได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติก็พ่อเออถูกของเองเอา้าแล้วทําไมห่านเนี่ยเคยใหญ่ไปตอบว่าคอยาวถึงเสียงดังทําไมเองตอบว่าธรมาธรมดาล่ะก็ธรรมดาจริงพ่อสังเกตอึงอ่างไหมอึงอ่างคอยเป็นสั้นเนี่ยมันร้องเสียงดังกว่าห่านอี่เพราะฉะนั้นมันจป็นเรื่องธรรมดาครัพ่อเออเข้าท่าอีกต่อเข้าท่า ตอนนี้เสร็จถีเริ่มชอบใจเขยเล็กแล้เหตุผลรองรับได้เอาแล้วงูอ่ะงูมันเลื้อเข้าเลือออกที่รูเนี่ยข้าถามว่าทําไมรูันถึงมันเลื่อมอย่างนั้นเขยใหญ่มันบอกงูมันเลื้อเข้าเลื้อออกหูวพ่อมันเป็นเรื่องธรรมดาขอประธานโทษนะครับพ่อหัวงพ่อเนี่ยมันเลื่อมยิ่งกว่ารูอีกไม่เห็นต้องเลื้อเข้าเลื้อออกเลยผู้จบไอ้เขยเล็กก็เผ็ดทันทีเลยพอไปเล่นหัวพ่อตาเรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะบางครั้ง อะไรอไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่คนเราปรุงแต่งเกินพอเป็นจริงไงธรรมชาติเนี่ยบางทีต้นไม้ปลูกระยะหนึ่งมันก็ต้องเหี่ยวแห้งใบเป็นธรรมดาบางครั้งวัชจจพืชเนี่ยคือโตเร็วกว่าต้นไม้ให้เราปลูกอีกมันเกิดขึ้นเองนะถ้าเราสังเกตพวกต้นไม้ต่างเนี่ยต้นไม้ให้เราปลูกเนี่ยบางทีโตเช้าว่าัชพืชด้วยซ้ําแถมต้องมาคอยลดนงลดน้ําอีกวัชพืชขึ้นปป๊บเดียวเต็มไปหมดเลยดอกไม้ต่างเนี่ยไม้เราชมความงาม สักพักหนึ่งมันก็เหี่ยวแล้วเสืแล้วก็หมดสภาพไปดอกบัวก็เหมือนกันบายเราชมสองสามวันแล้ ว, ม, วลมันก็เหี่ยวหมดสภาพไปทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติทางนั้นเลยไม่ได้อยู่ตามหน้าบางังคับบัญชาของเราถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎธรรมดาธรรมชาติเนี่ยภาคทุกเราก็น้อยลงเพราะเรายอมรับได้ว่า้ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองไม่จะเป็นเรื่องภายนอกเรื่องภายในที่เราทุกเพราะเราไม่ยอมรับฝ่าไปเช่นนั้นเองไง คือไปพยายามให้ธรรมชาติเนี่ยเป็นเป็นแรงใจเราไงที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ความคิดเรายังสั่งไม่ได้เลยเฮ้ยต้องคิดดีแนละบางทีเราคิดไม่ดีเหมือนกันหรือจิตบางทีก็คิดเล้วอง ก, อกุศล น, นะไม่ได้คิดกุศลตลอดไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราบางทีเราลักไม่ไหวทารจะทุกข์เพราะความคิดตัวเองแหละบดงที๋ยวยคิดไม่ดีเลยบางทีไปด่าใจาย์ก็มีคิดในใจแต่ไม่ได้ด่าจริงนะแต่ความคิดจะปรุงแต่งว่าด่าคนโู้นด่าคนนี้คิดเองเออเองหมดเลยหรือคิดว่าเอ้ยคนนี้ว่าเราโกรธเองก็มี โดยเขายจะไม่ได้ว่าเลยหรือดีใจเองก็มีพราะปุงแต่งเรื่องดีๆนะนั้นคนเราจะอยู่ในโลกวางที่ปุงแต่งอยู่ที่เราจะปุงให้ดีปุงให้ร้ายขึ้นอยู่กับจริตนิสัยเจ้าของแต่ถ้าบางคนปุงแต่งทางร้ายมากๆก็จะคนที่เครียดมีใครอยากคุยด้วยเมาคุยแล้วก็ดาบปรับทุกมาให้ถ้าใครมีอารมณ์ขันก็จะมีคนอยากเข้าใกล้คุยสนุกคุยในเรื่องดีๆโกรธยากอะไรเงี้ยคนก็อยากคุยด้วย อย่างตัวตัวลาวาก็ชอบจะรเป็นสาวก็เรื่องที่ว่าถ้ามีอารมณ์ขันนะแต่ถ้าท่านเครียดอลาวากจะหนีห่างไปนานแล้วสมมติถ้าอาจารย์เป็นคนเครียดเนี่ยไม่มีเรื่องขําขันไม่มีรักหมารักแมวเนี่ยจริงจังกับชีวิตต้องที่ผานเท่านั้นอะไรเงี้ยหรือต้องตายพูดแต่เรื่องโตเรื่องตายอย่างเดียวอะลูกสิทธ์หนีหมดนะบอกไปเลยที่อาจารย์มีลูกสิทธิ์ทุกวันนี้เพราะอารมณ์ขันแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีเข้าใกล้แล้วมีความสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์ให้ดูลูกสิทธิ์กา ของวัดแห่งหนึ่งกบตัวเนี้สังเกตเห็นเห็นหลวงตาเนี่ยออกไปบิณฑบาตอยู่ทุกวันกบตัวเนี้เห็นหลวงตาบิณฑบาตมันก็อยากเป็นพระเห็นว่าเออเป็นพระได้ดีนะไปบิณฑบาตเนี่ยก็มีโขแส่อาหารให้สักพักหนึ่งหลวงตากลับถึงวัดก็เอาเม็ดข้าวเหนือโปะให้ไก่ฝูงไก่ก็บรรลงกินข้าวที่หลวงตาโปออะอ่ะกบก็คิดในใจโอ้โหพระเนี่ยต้องลาบากนะไปบิณฑบาต เหนื่อยเหนื่อยเหงื่อโซกมาเลยก่ถึงวัดไก่ไม่ได้ทําอะไรเลยมาถึงกินอย่างเดียวเลยเป็นพระเป็นพระไม่ดีเป็นไก่ดีกว่าสบายถึงเวลาก็มีคนเอาข้าวมาป่วยให้กินกบคิดอยากเป็นไก่อยู่ตอนนี้สักพักหนึ่งหมามาจากไหนก็ไม่รู้หมามันไล่กัดไก่ไก่ไี่หนีกระจายเลยเพราะหมาหมันไส้ไก่ไะกบเห็นว่าอ้ไก่นี่ก็ยังโดนหมาลังแกสู้หมาไม่ได้เป็นหมาดีกว่าสักพักหนึ่งเด็กวัดเห็นว่าเอ๊หมานี่นิสัยไม่ดี มาไลากัดไก่จึงฟ้าไม้มาไลาตีหมาหมาโดนเด็กตีล็อกเอ่งนเองวิ่งไปกบที่ ใ, ใจเป็นหมาไม่ดีฮะโดนตีนี่ขนาดเด็กยังเป็นขนาดนี้แล้ ว, ลวคนโตขนาดไหน้าเป็นคนดีกว่าเด็กตีหมาจนเหนื่อยก็มานั่งพักอยู่สักพักหนึ่งก็มีฝูงแมงวันเนี่ยมาตอมหัวตอมหูตั้งหลายตัวจนเด็กเนี่ยบ่นว่าเซ็งและวลำคาญจึงเดินจากไปกบสังเกตเห็น เป็นเด็กก็ไม่ดีนะสู้เป็นแมงวันไม่ได้แมงวันยังไล่เด็กไปได้เป็นแบงวานดีกว่าเป็นคนการที่กบกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นอ่ะมันก็มีแบงวันตัวหนึ่งอ่ะบินผ่านหน้ากบเนี่ยด้วยสายชัตาิยานกบก็ตวัดลิ้นเนี่ยพาแมงวันเข้าปากไปเลยตอนนี้กบรู้ฉับพันว่าเป็นกบดีกว่าแลกินแมงวันได้อันนี้ก็มีแง่คิดนะนิทาเรื่องนี้ยคือคนทั่วไปอ่ะเห็นคนรวยเราก็อยากเป็นคนรวยเห็นคนที่มีชื่อเสียงเราก็อยากเป็นคนมีชื่อเสียงบ้าง บางทีเราก็เห็นดาราเห็นคนรุ่นนี้นักกีฬาเปอร์สตาร์มมีรายได้มหาศาลมีชื่อเสียงที่เราก็อยากเป็นไงอยากเป็นบ้างแต่เอาเข้าจริงแล้วทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองบางคนเนี่ยก็ตายก่อนแวนควรบางคนก็ทําวทธรรมกรรมไม่เยอะมีโรคประจําตัวมากายอันนี้เราไม่รู้หรอกเรารู้แต่เปลือกนอกไงเพราะฉะนั้นเป็นตัวเราเองดีกว่าอย่างเราเนี่ยถ้ามีคนมาขอซื้อแขนสักสิบล้านเราก็ไม่ขายนะ ซื้อลูกตาซื้ออาวะต่างๆเนี่ยบางทีอาวะร่างกายเราสําคัญกว่าเงินอีกเมื่อจะเป็นคนยากดีมีจนเนี่ยก็จะรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นเป็นตัวของตัวเองก็ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยคนอื่นเขาทํากรรมอะไรมาเรื่องนี้แค่ไงนที่เป็นตัวเองดีกว่าแต่จั์แกเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมใจําบุกชายอายุเ ก, ก้าขวบเลยไปฝากวัดใกล้ๆบ้านเพื่อเตรียมปวดเนยผ้รูดร้อนลูกชายแกชื่อว่าเจ้าแดงเจ้าแดงเนี่ยเป็นเด็กที่สุกซนมากเลย ทำมีท่าไหนก็ไม่รู้ไปโดนไฟช็อตตายหลวงพี่เจ้าอาวาสก็ต้องไปแจ้งข่าวกับตาจาันแต่พออาจารย์มีลูกคนเดียวนะก็กลัวถ้าแจา้งไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวแกก็จะช็อกตายเปนคนเป็นบาปเป็นกรรม เ, เปล่าๆหลวงพี่ก็คิดหนักเอจะไปพูดยังไงดีให้อาจารย์เนี่ยไม่เสียใจายมากหรือไม่ช็อกตายนึกขึ้นมาได้ว่าเออแกเป็นคนท้าวธรมโมเราต้องธรรมะาหน้าจึงเดินไปที่บ้านอาจารย์ขณะนั้นตาจาย์กำลังบุ่งหลังคาบ้านอยู่จึงทักขึ้นว่า อ้าโยมทำอะไรอยู่ตาจย์เห็นหลวงพี่มาที่บ้านโอ้ผมกําลังมุงหลังคาครับอ้าวเป็นายถึงต้องมุงใหม่อ๋อมันเก่าแล้วครับเก่าแล้วก็รั่วโอ้มันเก่าเฉพาะของใช่ไหมนี่หลวงหลวงพี่บวชตั้งนานไม่รู้เหรอว่าของเนี่ยถึงเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของและคนมันมีนของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่ากดทุกขงังนี่จังลตาอืโยม เขาจะธรรมะใช้ได้แล้วถ้าเกิดญาติตายนะโยมจะทําไงอุย้ยญาติตายผมก็ไปเผาสิครับแล้วเกิดแล้วเกิดอนามาตายอ่ะอุ้ยหลวงพี่ไม่ต้องห่วงผมก็เผาให้สิครับแล้วเกิดตัวโยมจานตายนะทําไงอุย้ยหลวงพี่ยิ่งไม่ต้องห่วงหนะักเขาไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวญาติพี่น้องผมก็เอาไปเผาให้ไม่เห็นภาระให้ใครอยู่แล้วแล้วเกิดลูกหักของโยมตายอ่ะผมก็เผาเองสิครับไม่เห็นย า, ยากอะไรอืมหลวงพี่ก็มอกว่าตาจันเนี่ยมีสติมั่นคงเขาจะธรรมะ เรื่องขวาไปเที่ยงที่เข้าไปถามอีกทีเพื่อความแน่ใจอขอทดสอบอีกครั้งนึงถ้าเกิดลูกโยมตายเนี่ยโยมทำใจได้จริงเหรออุย้ยได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอ า, อางี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะที่อาิมามหายโยมเนี่ยจะมาแจ้งข่าวตอนนี้ไอแดงลูกของโยมเนี่ยโดนไฟช็อตตายแล้วเท่านั้นแหละแต่จันพอยินลูกตายเนี่ยแกแกช็อกเลยนะแล้วก็ไปลมไปตรงนั้นเลย เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเก่งในทฤษฎีไงจำธรรมะมาจากหนังสือจําธรรมะมาจากครูบาอาจารย์ไงเรื่องความไม่เที่ยงความทุกข์ต่างๆแต่ว่าแกไม่ได้ประสบกับตัวแกเองไงอันนี้เราจะเห็นอยู่ทั่วไปแหละที่ว่าคนที่รู้ธรรมะจากหนังสือแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเมื่อจะเป็นญาติพี่น้องเสียหรือเสียทรัพย์สมบัติหรือคนรักตายจากหรือต้องเสียอะไรทักอย่างเนี่ยจะเศร้าโศมากเลยทําใจไม่ได้ เพราะว่าหนังสือบางทีของปอมเนี่ยไม่ใช่ของจริงมันธรรมะจากพระดุจเจ้าธรรมะจากพระครูบาจารย์มันไม่ใช่ของเราอ่ะเราไปทึกทักเอาไปของเรานะปฏิดับทุกไปได้แต่เราฝึกจิตมีธรรมะของตัวเองเนี่ยเวลาเจอโลกธรรมฝ่ายลบฝ่ายบวกก็มีมีลาบแล้วก็มีชื่อเสียงมีคนสรรเสริญมีความสุขไงฝ่ายลบก็มีเสื่อมลาบเสียชื่อเสียงมีแต่คนดินทา้าแล้วก็ทุกเนี่ยมาเจอฝ่ายลบเข้าเสร็จเลย ก็ต้องอยู่ใต้อะใต้โลกธรรมอะโลกธรรมครอบงำอันนี้เราเห็นมาเยอะแยะหมดเลยเมื่อก่อนอธิมารู้จักหลวงตาอคนหนึ่งแต่รู้จักไม่สนิทนะก็อยู่แถวกระแพงแสนเนี่ยหลวงตาคนนี้มาบวชตอนแก่แล้วตอนนั้นที่อธิมารู้จักแกก็ปัญษามองสาเวลาโยมมามาที่สำนักเนี่ยแกก็โอ้พุทธะเกี่ยวคว า, ามว่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าตาเลยว่างหมดเลยไม่มีตัวไม่ใชตนมองตรงไหนก็ไม่มีตัวไม่ตนเนี่ยไม่รู้ว่า ผมเนี่ยไม่ไม่เกิดอีกแล้วเม่ว่างไม่ทุกข์อีกแล้วแกสอนโยมในเรื่องความว่างไม่มีตัวกูของกูเรื่องว่างเราสังเกตอยู่อะหลวงตาคนนี้ไม่ค่อยยกมือไหว้พระภาษามากกว่าอย่างอันมาไปต้องยกมือไหว้ก่อนนะซ้ำหรือพระเพื่อนภาษา20บกว่าเนี่ยพระมหาเถร่าต้อยกมือไหว้ก่อนเพราะแกมือแข็งไม่ยกมือไหว้ง่ายๆ่ธรณีง่ายว่าเอ้ยเรารู้ทําแล้วเราอายุเยอะแล้วการเวลาผ่านมาหลวงตาท่านเนี่ยก็ทะเลาะรุนแรงกับพระที่อยู่ที่นั่น ทะเลาะพรมหาเทะระภาษายีิบกว่าจนในที่สุดแกก็อยู่วัดันไม่ได้ต้องย้ายวัดไปเราก็เข้าใจแล้วที่หลวงตารู้เรื่องความว่างแหะรู้ของปปอมๆไงถ้าคนรู้เรื่องว่างจริงไม่ไปทะเลาะใครเป็นข okay นาดนั้นหรอกมันมีเรื่องอัตตาตัวเองยึดตัวตนอยู่ไงแต่จําหลวงพ่อพุทธทาสมาพูดเรื่องความว่างก็ว่างด้วยไม่มีตัวกูไ ม, มีของกูเนี่ยอันนี้จํามาไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ยึภาวะรองรับไงพอเกิดอะไรขึ้นทะเลาะคนง่ายโกรธง่าย อัตาก็สูงอัตตาสูงทรนงอะไรเงี้ยขาดตาอ่อนน้อมขาดคามน้อมทีก็มีเรื่องง่ายไม่มีใครรักมีแต่คนเกลียดชังผิดแตคนที่อ่อนน้อมตัวตนน้อยเนี่ยมีแต่คนรักใครก็ชอบอยากคุยด้วยเรื่องอุหลงตานี่ยก็อยู่ทาหอนว่าธรมาธรมะ้ารู้ไปจริงเนี่ยเป็นโทษนะเพราะว่านอกจากไม่พ้นจากความทุกข์แล้วยัยงก่อปัญหาให้คนอื่นด้วยชายคนนึงเนี่ยวันหนึ่งเดินทางมาต่างจังหวัดอิธุลัจําเป็นต้องข้ามแม่น้ํา ไปอีกฟากนึ่งแม่น้นเจ้าพยาก็จ้างลุงคนเจ้าเรือจ้างเนี่ยให้ข้ามไปฟากนู้นระหว่างที่ขึ้นเรือไปชายคนนี้ก็เอ่ยปากถามลุงเนี่ยว่าลุงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลุงก็บอกปีนี้ผมอายุ60ปิบปีครับอ้าวแล้วลุงได้เรียนหนังสือบ้างไหมจบอะไรมาอ๋อผมไม่ได้เรียนหนังสือเลยครับลุงรู้เปล่าความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้ามีความรู้เนี่ยชีวิตของลุงก็พ่องไปนะตอนนี้ชีวิตลุงพ่องไปเจ 2ี่สเปอร์แล้วยผมนี่ยังจบปริญญาโทคนเราต้องหาความรู้ใส่ตัวเนือก็แล่นไปถึงเกือบกลางเกือบกลางน้ําอ่ะชายหนุ่มก็เอย่ยขึ้นอีกลุงรู้จักเทคโนโลยีไหมโอ้ลุงไม่รู้จักหรอกเทคโนโลยีโนโลยีอะไรลุงรู้จักแต่ท้องไร่ท้องนาแม่น้ําเนี่ยลุงรู้เปล่าสมัยเนี้ยเทคโนโลยีสําคัญมากเลยถ้าเราไม่รู้จักเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ตามโลกไม่ทันตอนเนี้ชีวิตของลุงเนี่ยพองไป 25% นะลุงของเก่าด้วยไป 50% แล้วลุงก็ไม่ว่าอะไร มาถึงกลางแม่น้ําใช้หนุม่มก็เอ่ยขึ้นอีกลุงรู้จักคอมพิวเตอร์ไหมไม่รู้จักหรอกไอ้หนุม่มคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องรู้จักมันทำให้คนฉลาดขึ้นอะไรๆก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทํางานเก็บข้อมูลการที่ลุงรู้จักคอมพิวเตอร์เนี่ยชีวิตของลุงก็พ่องไป 25% หลุมของเก่าด้วยตอนนี้7จเปนตแล้วนะลุงลุงก็เริ่มไม่ค่อยพอใจอะไรละแต่เงียบไม่ตอบเรือก็แล่นมาเลยกลางแม่น้ําสักพักทั้งหน่อยหนึ่งก็มีเรือหาางยาววิ่งมมาาด้วยวยคว คืนของเรือหางยาวเนี่ยก็พัดเอาเรือพายของลุงเนี่ยคว่าเลยลุงก็ถามชายหนุ่มอะ่ะนี่พ่อหนุ่มเอ็งว่ายนะ้ำเป็นไหมชายหนุ่มนี่ตาลีตาเหลืองเลยไปเป็นครับลุงช่วยด้วยช่วยด้วยเอ็งรู้เปล่าวตอนนี้ชีวิตเอ็งพ่อง100นะร้อยเอร์เ็นตะตัวใครตัวมันโว้ยแล้วแกก็ภายว่ายน้ำเข้าฝั่งไปลุงที่คุยก็ตายไปไอ้หนุ่มคนนี้ก็มีความรู้ทุ่มหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะเพราะบางครั้ง ไปดูถูกคนที่คิดเราเตงโง่กว่าคนเราฟามสามารถไม่เหมือนกันนะอย่างพวกจบวิศวะมาเนี่ยบางทีก่อปูนหรือบกปูนสู้พวกช่างที่จบปอสีไม่ได้จะทำหรือตีตะปูให้ตรงเนี่ยก็สู้ช่างที่ชํานาญตีให้ตรงไม่ได้นะอาณาเกอเห็นพวกช่างทํางานแล้วพวกนี่เขามีความรู้แต่เขาทำบ่อยๆเขาชํานาญที่ตีตะปูที่ยักๆักเขาตีตีเข้านะเราไปตีก็บางทีตะปูคดจะทำหรือบกปูนให้เนื้อแน่น ให้ราบเรียบอะไรเงี้ยบางทีพวกมีความรู้ทําไม่ได้มันต้องใส่ความชํานาญหรือขับรถกันเหมือนกันขับรถบางทีจบดอกเตอร์จะขับรถซูปป อ, ปอสไม่ได้เลยพวกแท็กซีบ่บางทีจบปอสเนี่ยเขาขับอยู่เรื่อยไงจนเป็นอัตโนมัติแล้วสิ่งใดที่ทำบ่อยๆมันจะชานาญเนี่ยชำน้อจะทํางานเฉพาะ ด, ด้านอย่างบางคนเนี่ยท่อปั้นตั๊กโขขายจะรวยก็ได้ถ้าเก่งอย่างเดียวนะหรือทําน้ำเต้าหู้ขายหรือทําอะไรก็ได้ที่อร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยเงี้ย รวยได้ขอให้รู้จริงแล้วเก่งอย่างเก่งแต่คนรู้ไปจริงทำลูกอย่างๆไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะว่าคนเราเนี่ยอย่าประมาทแล้วอย่าดูถูกคนมีความรู้เอวัง